เรื่องผลไม้ที่สมควรแก่สมณะสมัยนั้นสมาคมหนึ่งถวายสังคพัดพวกเขาไม่รู้จักทรมะม่วงเป็นชิ้นๆจึงนำเข้าไปในโรงอาหารทั้งผลภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมรับประเคน